ข้อความในคุตการนิกายติวุตกะต่อนะครับอนุญาตกล่าวธรรมนะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายเสียงที่เกิดขึ้นเพราะปีติของเทวดาสามอย่างนี้ย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยแต่สมัยสามอย่างนะครับสอย่างเป็นไนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายในสมัยใดพระอริยาสาวกย่อมคิดเพื่อจะลงผม และนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตใครครับอย่างเช่นพระพุทธศาส ร, ราตอนออกบวชนะในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาว่าพระอริยาสาวกนี้ย่อมคิดเพื่อจะทำสงครามกับมารดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่หนึ่งย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัย สมัยแต่สมัยนะครับสมัยที่คิดออกบวชเลยนะครับเช่นภาษารีบุตรตอนออกบวชเป็นต้นเนี่ยนะเนี่ยเทวดาก็ซ่องสาธุการแลว้วเหมือนันนะตอนนี้สงครามคำว่ากันสงครามของอริยะสาวกกําลังพิชิตกลับมาแล้วเทวดาก็ซ่องสาธุการยินดีตัวเลยนะครับอีกประการหนึ่งในสมัยใดยอริยะาสาวกประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิปักจัยธรรมเจประการ ในสมัยนั้นนะครับเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกในเหล่าเทวดาว่าพระอริยาสาวกนั้นทําสงครามกับมันนะครับกำลังสู้รบกันเลยนะดูความพิสูจทั้งหลายนี้เสียงของเทวดาข้อที่2ย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยแต่สมัยนะครับขณะที่กําลังเจริญโพธิปัจฉิยธรรมในขณะที่กําลังต่อรบกับพญามา น, นะครับ อีกประการหนึ่งในสมัยใดพระอริยาสาวกกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่คือในขณะที่บรรลุอรหันต์เนี่ยนะครับในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาว่าพระอริยาสาวกนี้พิชิตสงครามชนะแดนแห่งสงครามนั้นแล้วครอบครองอยู่นะครับทีนี้ต้องอ เทวดาประเภทอรหันต์นะครับจึงจะอนุโมทนาเป็นนะครับเพราะว่าเขารู้อารมณ์นี่ดูความพิสูจนทั้งหลายนี้เสียงของเทวดาข้อที่สย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยแต่สมัยนะเทวดาสาธุการ3ขณะนะครับขณะแรกขณะออกบวชขณะที่2ขณะกําลังเจริญโพธิปัจฉยธรรมขณะที่3คือขณะที่อรหันตมรรคก็เกิดขึ้นอรหัตกกนหตผลเกิดขึ้นก็สองสาธุการปีติสมนัตใหญ่สาธุว่างกัน พอดีครับในในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมาจักกัปปมัตตสูตรเนี่ยก็มีเทวดาแท้สองจากชั้นจาเนี่ยจากชั้นจ่าตุมหาผมมาเทวดาผมมาเทวดาไปก่อนใช่ไถึงอากาศถึงทั้งหมดเลยนะครับครับเอผมก็สงสัยว่าท่านรู้ได้งไงว่ามีการบรรลุธรรมเกิดขึ้นคือเทวดาเนี่ยนะครับพอว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะมาแสดงธรรมจกักเพราะพระองค์ประกาศแล้วใช่ไหมครับระหว่างเดินว่าตอนที่บอก อ๋อปัญญาสีวัตถโกรนัญโยนี่ น, นะนั่นนะ่ะนั่นก็อย่างหนึ่งครับและอย่างหนึ่งพรมเข้าบรรลุนะพรมบรรลุ18โกดนะครับวันนั้นนะ่ะตอนที่พระ อ, องค์จบธรรมจักรก ป, ประวัฒนาสูตรเนี่ยพรมบรรลุ18โกดแต่ว่าตอนที่พระ อ, องค์แสดงธรมรมจักรเนี่ยเทวดามาประชุมมหาศาลนะครับเทวดานี่มาประชุมเยอะนะครับเพราะว่าเขามีการโฆษณาประกาศกล้องแล้วว่าพระองค์จะมาแสดงธรรมรู้รู้กันในแวดวงของเทวดานะครับพระพุทธเจ้าคิดอะไรไม่ใช่ไม่มีใครรู้นะครับ ครับมนุษย์มีห้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยเวลาพระองค์คิดนะพระองค์แค่คิดเนี่ยเทวดารู้นะครับเทวดาที่เป็นผ้าหันก็มีนะครับเทวดาที่เป็นพผ้านาคามีเป็นต้นก็มีเพราะฉะนั้นเขาจะรู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะบอกต่อๆกันไลยนะครับเพราะฉนั้นพักเดียวแค่นั้นนะครับเพื่อประลุกันหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็ตอนที่พบ อ, อุปการชีวะพระองค์ก็บอกแล้วว่าจะไปแสดงธรรมที่ปายสิปัตนะมรุกขายวันเทวดาทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วนะครับ นนะแล้วก็เวลาจบเทศนานั่นนะครับก็เสียงบรรลือก้องตั้งแต่ชั้นภูมิมะเทวดานะครับจนถึงจารุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิ ม, มิตวสวัสดีจนถึงพรมนะครับจนถึงว่าอักขณิทภพรมนะครับคือพรมชั้นอนาคามีเนี่ยนะก็บรรลือก้องชั่วขณะแป๊บเดียวเนี่ยนะครับเมื่อจบธรรมจักกับปวัตนาสูตรนะครับพระสุทินเศตเมถุนก็ยังกล้องไปถึงพร ม, มโลกเหมกันเลย ครับครับ แ, <es> แม้เทวดาทั้งหลายเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะสงครามแล้วผู้เป็นใหญ่ปราศจากความขั้นครามย่อมนอบน้อมด้วยคำว่านะเทวดาเขานอบน้อมพาหันว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชานในขอนอบน้อมแต่ท่านผู้ครอบงำกิเลส ท, ที่เอาชนะได้ยากชนะเสนาแห่งมัจจุ ที่กลางกั้นไว้มิได้ด้วยวิโมกนะครับคือชนะมาด้วยวิโมกคือด้วยอริยมรรคเนี่ยนะครับเทวดาทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระขี่นาศพผู้มีอรหัตตผลอันบรรลุแล้วนี้ด้วยประการชนีเพราะเทวดาทั้งหลายไม่เห็นเหตุแม้มีประมาณน้อยของพระขี่นาศพผู้เป็นบุรุษอาชาไนานั้นอันเป็นเหตุให้ท่านเข้าถึงอํานาจของมัจจุได้ คือเพราะไม่มีปฏิสนธิใหม่นะครับเพราะความตายเป็นต้นก็ไม่มีฉะนั้นจึงพากันนอบน้อมพระขีณาศพนั้นนะครับอัตกถฐานะครับเทเวสุได้แก่เวนเทพที่เป็นอรูปาวจรและเทพที่เป็นอสัญญีอสัน ญ, ญีสัตว์นะครับบทว่าเทวสัตธาได้แก่เสียงที่ประมวลจากปีติของเทวดาทั้งหลาย บทว่านิชรันติได้แก่เปล่งออกไปด้วยคามสามารถแห่งการสนทนาปราศัยบทว่าสมยาสมยังอุปาถยะความว่าอาศัยสมัยที่เหมาะสมมีคําอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายดํารงอยู่ในการใดอาศัยกาลนั้นเห็นอริยสาวกต่อจากนั้นอาศัยสมัยคือเวลาที่ประจบเข้านั้นนะครับ บอกว่ายัสมิงสมยเยความว่าในสมัยที่พระอริยาสาวกเห็นโทษในกามทั้งหลายโดยในเมียที่ว่าตามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกนะครับพระอริยาสาวกพอได้ฟังธรรมก็พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของกามทั้งหลายนะครับและเห็นโทษในการครองเรือนโดยในเมียที่ว่าการอยู่ครองเรือนเนี่ยคับแคบอย่างยิ่งนะครับเมื่อฟังธรรมเนี่ยนะแล้วก็เห็นอนิสง์ในการออกบวชโดยในตรงกันข้ามกับการครองเรือนนั้นเป็นอย่างดี เพราะว่าเมื่อนั้นแหละจิตของพระอริยาสาวกนั้นจะน้อมไปในบรรประชาโดยส่วนเดียวนะบดว่าอริยาสาว ก, กได้แก่สาวกของท่านผู้ประเสริฐคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยาสาวกผู้ประสงค์จะเข้าถึงคือความเป็นสาวกหรือจะเป็นอริยาสาวกโดยแน่แท้ คำนี้เทวดากล่าวหมายเอาพระสาวกและพระโพธิสัตว์ผู้มีพบสุดท้ายนะที่เทวดาสาธุการเนี่ยนะหมายถึงสาธุการพระสารีบุตรพระโมกขลานะเป็นต้นนะครับหรือสาธุการกับพระโพธิสัตว์นะตอนที่เป็นเจ้าชายศิริฐานเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาเห็นกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกนะครับทําไมจึงว่าเหมือนร่างกระดูกเพราะมันอร่อยน้อยมันอร่อยไม่นานมันอร่อยน้ําลายตัวเองนะครับ การทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้ออย่างไี้ก็เนื่องจากมันต้องยื้อแย่งกันนะครับว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันยื้อแย่งกันทะเลาะเบาะแวงกันประกาศศึกสงครามเป็นต้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยจะได้บ้านได้เมืองแต่ล ะ, และอย่างนี่มันเข่นข่ากันด้วยเนื้อด้วยเลือดนะครับมันแข่งแย่งชิงดีกันนะครับอย่างกษัตริย์สมัยก่อ น, นเนี่ยนะจะเอาผู้หญิงอีกเมืองหนึ่งมาครองเนี่ยนะครับทหารเนี่ยตายไม่รู้เท่าไหไร่นะครับเพื่อที่ไปชิงเพื่อที่จะเอาผู้หญิงอีกเมืองหนึ่งเทา่านั้นเองนะครับ างว่างเนี่ยนึก ข, นขึ้นมาอยากได้ผู้หญิงเมืองโน้นก็ยกกองทัพไปแล้วนะครับแค่นั้นนะครับนะมันต้องเยอแย่งกันจริงๆนะ ก, กามทั้งหลายก็เหมือนกับคบเพลิงนะครับถ้าใครได้บริหารเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็เร่าร้อนนะครับนอนไม่ค่อยหลับนะครับมีปัญหาให้วิตกตกกังวลทุกขร้อนอยู่ตลอดเวลา ก็เหมือนกับหลุมฐานเพลิงนะครับมันก็มันเร่าร้อนทั้งในภพนี้นะครับทะเลาะเบาะแวงกันเข้นฆ่ากันเนี่ยนะแล้วก็เร่าร้อนทั้งในภพหน้าก็ว่าเหมือนลุมฐานเพลิงเป็นต้นและสิ่งเหล่านี้ก็ในที่สุดก็เหมือนกับความฝันมันไม่ใช่ของใครแน่แท้นะครับถามว่าแผ่นดินนี้ของใครมั้งกันกลบหน้าใครกับของคนนั้นอหไรมั้งกัน แต่จริงก็ไม่ได้ของคนนั้นแน่นอนแล้วครับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปฮะนะขนาดบอกว่ากลบหน้าใครเดี๋ยวเขาเอาไปทําปุ๋ยหมดนะครับมันก็เป็นปุ๋ยให้ผักไม้ๆคนอื่นเอาไปกินนี้มันมันของชั่วคราวท่านนะครับมันเหมือนความฝันจริงๆนะกษัตริย์ผูดเป็นใหญ่เป็นโตสมัยก่อนมีเหลือไหมครับเมืองอย่างอย่างเมืองเชียงรายเราเนี่ยเป็นเมืองที่โบ ร, โบราณมานานนักหนาเลยนะครับมีอะไรเหลือบ้างครับบทว่าเกสมัตสงุง โอหาเรตตาวะความว่าปลงผมและหนวดคือนําออกไปบทว่ากาสาญาณิวถานิอัจฉาิเทตวาความว่านุ่งห่มผ้าอันเหมาะสมแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ชื่อว่ากาสายะเพราะย้อมด้วยน้ําฝาเอาใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นมาต้มนะครับแล้วก็ย้อมเอาบทว่าอาคารรสมาอนาคาริยังปัปภาชายะเจเตติความว่าตั้งใจคือไมายใจบวดว่าเราออกจากอาคาร คือเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่มียา้าเรือนอธิบายว่าจากบวชก็เพราะเหตุที่กสิกรรมและพานิชยกรรมนะกสิกรรมคือทำไร่ใช้นาเรือสวนทั้งหลายแลพานิชยกรรมการซื้อถูกการขายแพงการค้าขายทั้งหลายไม่มีเนี่ยนะครับที่เป็นประโยชน์แก่การครองเรือนก็เลยเรียกว่าอนาคาริยะแล้วก็กสิกรรมนะครับการเพาะปลูกเป็นต้นนะพานิชยกรรมการค้าขายนั้นนะไม่มีในการบรรพชา เพราะฉะนั้นการบรรพชาพึงทราบว่าอนาคาริยะแต่สมัยนี้ก็ยังแอบทําไร้ไถนานะครับตุเจ้าอะไก็ได้ผมเห็นในเจ้าคณะตําบลที่หนึ่งทำนาเลยนะครับไปไถนาเองเลยนะคาดเอาผ้าคาดหัวเนี่ยแหละไถนาแท๊กๆๆๆๆแท๊ทรถไถเนี่ยนะครับนะบางช่วงบางถึงเวลาแกก็ไปเที่ยวหาขายของขายกองไว้เรื่อยนะครับทั้งค้าขายทําไร้ไถนานะครับมีประจําตัวก็พวก11มมอเนี่ยนะครับวางไว้ในย่ำนะ ครับทั้งสังฆทานนันทาอย่างนั้นเลยก็ทําอาชีพนะครับนีเป็นอาชีพครับก็มีแล้วนะครับแต่ขนาดนั้นโยมเขาก็เออศรัทธาก็ยังใส่บาทให้กินอยู่นะศรัทธานี่ก็ไม่ดูตามมาตาหรืออะไรเลยครับบทว่าสังขามายะเจเตติความว่ายังความคิดให้เกิดขึ้นเพื่อต้องการจะรบคือเตรียมการเพื่อเอาชนะมานนะครับ ใช่ไหมบวชนีก่กัการบวชก็เหมือนกับเตรียมอาวุธเพื่อจะรบกับพญามานก็เพราะเหตุที่แม้เทวปุตตมารย่อมพยายามเพื่อทําอันตรายแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเห็นปา น, นั้นฉะนั้นพึงทราบอธาาิบายในบทว่ามารนะได้แก่เทวปุตตมารบ้างก็เทวปุตตมา น, นี้ก็จะทําการขัดขวางความปรารถนาของผู้ปฏิบัตินั้นเหมือนกัน ก็เริ่มแต่บรรประชาปลงผมแล้วเธอสมาทานศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานชื่อว่าสลัดกิเลสมารไว้ด้วยสา ม, มารถแห่งตะทังขปหารและวิขำพนปะปหารตามสมควรแต่ก็ตอนนี้ยังไม่รบนะครับแค่สกัดเอาไว้ก่อนนะครับ ตั้งเรว่าตั้งค่ายคูหอครูประตูเตรียมรบเต็มที่แล้วนะครับคือในขณะที่แตทางข้าประหารกับวิขำพระนะประหารเจริญสมร t วิปั ส, สนาเนี่ยนะครับโดยที่มีศีลเป็นบาตรตอนนี้ยังไม่ทันรบนะครับยังไม่รบแล้วก็ยังไม่มีการประจันบานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจเจ้าจึงตรัสว่าคิดทําสงครามกับมาร ขณาดเจริญวิปัสนาแล้วนะครับโอ้โหพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกซ้อนเป็นต้นขนาดใครควรขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รบนะครับแค่คิดจะทํำเฉยๆนะครับบทว่าสันตั น, นังโดยหมวดมีเจดนะครับคือมีเจดโดยหัวข้อโดยประเภทนะครับโพธิปัจกยธรรมนั้นมีเจ็ดหมวดนะครับคือสติปทานสมมติปทานอิทธิบาทอินทรีย์ภะละโพธชงอริยมรรคนะครับมีเจ็ดหมวด แต่ถ้าโดยประเภทนะครับแบ่งแล้วก็มี37ประเภทนะครับโพธิปัจฉิยธรรมธรรมะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ถามว่าคืออะไรบ้างคือสติปทานสีนะครับสัมมาปทาน4อิธิบาท4อินทรีย้าพละ5้โพชฌงเจ็แล้วก็อริยมรรคมีองแปดนะครับนี้เรียกว่าว่าโดยประเภทนะครับแต่ถ้าว่าโดยหัวข้อโดยกลุ่มก็มีอยู่7กลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัต ตันนังดังนี้ครับโพธิปัจขียธรรมเจ็ดหมวดเนี่ยนะในบทว่าโพธิปัจขียานังความว่าแห่งโพธิปักขียธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งพระอริยะบุคคลหรือมัคคยานนั่นเองนะครับนะทำที่สนับสนุนความเป็นอริยะหรือว่าสนับสนุนอริยมัคเนี่ยนะครับที่ได้นามว่าโพธิเพราะอัิว่าเป็นเหตุตรัสรู้อธิบายว่าได้แก่ธรรมะที่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งพระโพธิยาน คือสติปฐานสมบัตปทา น, มมทานอิทธิบาทอินทรีย์นี่นะครับเป็นธรรมที่ช่วยเหลือกเกื้อกูลสนับสนุนอริยมรรคนะครับที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อธิบายว่ามีธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิหรือประกอบในธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิบทว่าภาวนานุโยคมนุยุตโตความว่าประกอบความเพียรเนืองๆในการเจริญอริยมรรคให้วิปัสสนาขยบขึ้นขยบขึ้นนะครับ เพราะว่าในขณะแห่งวิปาาัสนาญาณสติปัฏฐานเป็นต้นชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิโดยอ้อมโดยอ้อมนะขณะเจริญวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่เรียกว่าเป็นเกื้อกูลอริยมรรคแต่ว่าอ้อมอมยังไม่ไม่แท้ว่า ง, งั้นเถอะแต่ในขณะแห่งมรรคเท่านั้นสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นโพธิปัจจัยธรรมโดยตรงนะครับอยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้จริ ง, รงๆก็ในขณะ อารยมรรคแต่ก่อนหน้านั้นก็ส่งเสริมเกื้อกูลนะครับเป็นอุปนิสัยให้นะครับบทว่าอาสวานังขยาความว่าเพราะสิ้นอาสวะทั้งหมดมีการมาสวะเป็นต้นอธิบายว่าอาสวะทั้งหลายเมื่อสิ้นไปแล้วกิเลสแม้ทั้งหมดก็เป็นอันสิ้นไปด้วยเหมือนกันนะ บอกว่าถ้าสิ้นกามาสะวะภวาสะวะทิฐาสะวะอวิชชาสะวะเมื่อไรนะบริวารกิเลสพ 1, 5, ัน0ตันหา108เป็นต้นเนี่ยถูกละถูกเพิ่ถูกกำจัดออกไปหมดนะครับไม่มีเหลือเลยด้วยคำว่าอาสวานังขยานนั้นเป็นอันตรัดถึงธารหันด้วยนะครับสิ้นอาสะวะจริงๆ ก, ก็ขนาดไหนครับอารหัตผลนน่นแหละ บท ว, ว bien, ่านาสว่ังความว่าเจโตวิมุตที่เว้นจากอาสวะด้วยคําว่าเจโตในบทว่าเจโตวิมุต tn ี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสมาธิที่สัมปยุตด้วยอรหัตผลและด้วยคําว่าปัญญาในบทว่าปัญญาวิมุติน <intell> ี <ihrem hn> ้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปัญญาที่สัมปยุตด้วยอรหัตผลคําว่าเจโตวิมุติกับปัญญาวิมุตเนี่ยนะครับเจโตวิมุตองค์ธรรมได้แก่สมัธะหรือสมาธิ ส่วนปัญญาวิมุตต์องค์ทําได้แก่ปัญญาถามว่าขณะไหนขณะอรหัตตผลนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละครับเรียกว่าเข้าถึงเจโตวิมุตต์นะครับอันนี้อารยะผลเลยนะครับอรหัตตผลจึงจะเรียกว่าสิ้นอาสวะอย่างแน่แน่นอนนะครับแต่ถ้าขณะอรหัตมะเขาเรียกกาลังทําลายอาสวะถ้าอรหัตตผลเนี่ยทำลายอาส ว, วะเรียบร้อยแล้วนะครับสิ้นอาสวะแล้วจริงๆ สมาธิเพึงทราบว่าชื่อว่าเจโตวิมุตต์เพราะพ้นจากสาคอนะครับสาครคือพ้นจากทะเลคือกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าพ้นจากสาครคือตัณหานะทะเลคือตัณหาปัญญาพึงทราบว่าชื่อว่าปัญญาวิมุตต์เพราะพ้นจากอวิชชานะครับสมาธิพ้นจากตัณหาปัญญาพ้นจากอวิชชาสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูการพิสูจนทั้งหลาย ก็สมาธิของอริยาสาวกนั้นเป็นสมาทินีดูกนพิสูจน์ทั้งหลายปัญญาของพระอริยาสาวกนั้นเป็นปัญญินีด้วยประการชนิแล้วพิสูจน์ทั้งหลายเจตโตวิมุตติมีได้เพราะการสำรอกราคะปัญญาวิมุตติมีได้เพราะการสำรอกอวิชชาเพราะฉะนั้นนะครับในขณะอริยมรรคเนี่ยนะตัวสมาธิเป็นตัวละตันหาปัญญาเป็นตัวละอวิชชานะครับในขณะอริยมรรคเนี่ยนะ โดยเฉพาะอารหัตตะมักนี่ก็พ้นจากวัตตทุกข์อีกอย่างหนึ่งในคำว่าเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงนี้ผลของสมถะพึงทราบว่าเป็นเจโตวิมุตต์ผลของวิปัสสนาพึงทราบว่าเป็นปัญญาวิมุตต์นะครับบทว่าทิเทวะทำเมความว่าในอัตภาพนี้เองบทว่าสยังอภิญญาสัชิกัตาวาความว่ากระทําให้ประจักษ์ด้วยปัญญาอันพิเศษยิ่งด้วยตนเองนั่นแหละคือ รู้โดยไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยนะครับก็บทว่าตะเมยวสังคาเมสีสังอภิวิชยะอัจฉาวสติความว่าชนะมาแล้วครอบครองตําแหน่งแห่งความเป็นใหญ่คืออรหัตตะพนสมาบัตินะครับอันเป็นประธานของอริยมกรกล่าวคือสงครามอันพระอริยาสาวกนั้นทําเสร็จแล้วอธิบายว่าเข้าสมาบัตินั่นเองนะครับเข้าพระสมาบัติเสววิมุติสุขพอชนะพญามนพร้อมทั้ง บริวารหมดสิ้นนะครับก็เสียงของทวยเทพเหล่านั้นกระชอนไปในหมู่เทพผู้เห็นความจริงแล้วโดยพิเศษได้แก่พวกเทพชั้นสุท้าวาัดนะครับอันนี้หมายถึงเทพระดับพระ้าหันที่อยู่ในชั้นสุดท้าวาัดนะครับที่ที่ท่านไปบรรลุเป็นผ้าหันในชั้นนั้นนะครับท่านรู้ท่านก็อนุโมทนาซ่องสาธุการเสียงกระหึ่มไปหมดนะครับเราเนี้ได้ยินไม่ถึงเลยหูบอกอ่อยดี เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเนะรียกเจา้าที่ท่านได้มีหูทิพย์มีอะไรนรี่คงแกไดยินเทวดาสาธุการก็ได้ยินครับ น, น่ า, นาจะได้ยินถ้ามีหูทิพย์นีนะแม้ในคาถาพระองค์ก็ตรัสว่าเทวดาทั้งหลายเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะสงครามแลว้วเป็นผู้ใหญ่ปราศจากความขั้นขรามย่อมนอบน้อมด้วยคําว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในขอนอบน้อมแด่ท่านผู้ครอบงํากิเลสที่เอาชนะได้ยาก ชนะเสนาแห่งมัจจุที่กลางกั้นไว้ไม่ได้ด้วยวิโมกเทวดาทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระขีนาสพผู้มีอรหัตผลอันบรรลุแล้วนี้ด้วยประการชนี้เพราะเทวดาทั้งหลายไม่เห็นเหตุแม้มีประมาณน้อยของพระขีนาสพผู้เป็นบุรุษอาชาในนั้นอันเป็นเหตุให้ท่านเข้าถึงอํานาจของมัจจุได้ฉะนั้นจึงพากันนอบน้อมพระขีนาสพนะครับอธิบายว่า มหันตังความว่าชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะเป็นใหญ่ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนะครับนะพระพุทธเจ้านี่เป็นใหญ่ใช่ไหมครับคือใหญ่ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะครับบทว่าวีตสารทางความว่าปราศจากความขั้นครม่มคือปราศจากความเกื้อเขินเพราะไม่มีกิเลส ท, ที่จะทําให้สะทกสะทานนะครับบทว่าปุริสาชัญญะความว่าดูก่อนบุรุษผู้สูงสุด ผู้เป็นชาติอาชาในในบุรุษทั้งหลายเหมือนม้าที่เป็นชาติอาชานัยเป็นต้นในสัตว์ทั้งหลายมีม้าเป็นต้นนะครับหมายความว่าได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้วนะเขานอบน้อมคนที่ฝึกสําเร็จแล้วบทว่าทุชยมัชพูความว่าครอบงําคือยึดครองกองทัพคือกิเลสอันคนส่วนมากไม่สามารถจะเอาชนะได้นะครับไม่สามารถโงหัวได้นะครับยกธงพ่ายแพ้ตั้งแต่แรกรบแล้วนะครับ บอว่าเชตวามัจยุโนเสนาวิโมกเคนอนนาวรังความว่าอนาวรังนะคล้ายๆใกล้ๆกับอนนาวิโรนะใกล้ๆกันนะครับความว่าชนะเสนาแห่งมัจยุคือมารผู้ชื่อว่าไม่มีใครกั้นไว้ได้เพราะชนเหล่าอื่นไม่สามารถที่จะขัดขวางทัดฐานได้เพราะเป็นเสนามีจํานวนมากนะครับมารเนี่ยเสนาเขาเยอะนะ ครอบไว้โดยทั้งโลกสามและโดยจำแนกออกไปถึงหนึ่งพัน้าร้อเป็นต้นนะครับกิเลสมาเนี่ยนะครับมันแผ่กระจายไปหมดนะครับแม้แต่ฝุ่นละอองหน่อยเดียวเนี่ยกิเลตันหามันก็เป็นที่ยึดถือหมดนะครับนะถามว่าเห็นฝุ่นเนี่ยถามว่ายินดีไหมล่ะเอาก็เห็นฝุ่นแป้งก็ยังชอบเลยใช่ไหมเห็นฝุ่นบางอย่างก็โทสะอีกอวิชาครอบงําอีกเพราะฉะนั้นกิเลตมายึดครองโดยที่สุดแม้แต่ฝุ่นนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ต้องพูดถึงว่ากิเลสเนี่ยครองครอบงํามไม่ได้นะครับ แต่ทีนี้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์นี่ก็ชนะพยมารเหล่านั้นได้หมดเชื่อมความว่าข้าแต่บุรุษผู้อาชาในขอนอบน้อมแด่ท่านผู้ได้ชัยชนะมารที่ชนะได้โดยยากดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเนื้อความที่ตรัสไว้แล้วนั่นแหละด้วยคามสามารถแห่งนิคมพจน์นะครับ ลงท้ายว่าเทวดาทั้งหลายย่อมนมำมศการพระขีณาสพผู้สมประสงค์นั้นคือผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วนะเทวดาเขาเคารพพระอรหันต์นะครับอีกอย่างหนึ่งบอว่าอิติด้วยเหตุนั้นก็ด้วยเหตุนั้นคืออะไรข้อที่พระอริยะบุคคลมีมนัตคือเป็นพระอรหรันตบรรลุแล้วด้วยการชนะเสนาของนมุจิมานอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายย่อมน้ำมศการพระขีณาสพนั้น ด้วยเหตุนั้นเมื่อจะทรงแสดงเหตุนั้นโดยพน้นจึงตรัสว่าตันหิตัสะนัมสันติเยนะมัจจุวะสังวเชดังนี้ในบาทพระคาถานั้นมีอธิบายว่าเพราะเหตุที่เทวดาทั้งหลายแม้สแสวงหาอยู่ก็ไม่เห็นเหตุของพระขีนาศพนั้นผู้เป็นบุรุษอาชาในผู้ปรณีตแม้ประมาณเท่าอนูซึ่งเป็นเหตุให้ท่านประสบคือเข้าถึงอำนาจแห่งมัจจุคือความตาย ฉะนั้นวิสุทธิเทพคือพผ้าหันทั้งหลายจึงนมั ส, สการนะครับผ้าหัน์ที่เป็นพรหมนมั ส, สการผ้าหันที่เป็นมนุษย์นะครับเจ๋วจริงๆนะครับสาธุนะยินดีเติร์นะครับไม่ท่านพ้นแล้วนะครับเพราะกิเลสเป็นเหตุนําไปสู่ปฏิสนธิในภพใหม่ไม่ได้มีเลยนะครับพอพูดถึงเทวดาเทวดาอีกสูตรหนึ่งสูตรใกล้ๆกันนะครับเจวณามาสูตรพูดถึงเทวดาทั้งหลายก็ใกล้จะตายนี่ก็าเป็นยังไง นะครับถ้าเทวดาจะตายนี่เขาจะอวยชัยให้พรกันยังไงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิต5ประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นนะคนจะตายนี่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรบอกบ้างครับอาจจะฝันไม่ดีเป็นต้นบ้างะนะแต่ถ้าเทวดาตายเนี่ยนะครับจะตายเนี่ยเทวดาประเภทมีบุญหนักศัก์ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีนิมิต5อย่างเกิดขึ้น1ดอกไม้เหี่ยวแห้งดอกไม้ประจําตัวนะครับ สองผ้าย่อมเศร้ามองนะครับผ้าก็ดูเศร้ามองไปเงือย่อมไหลออกจากรักแร้อสามนะข้อสี่ก็คือผิวพรรณเศร้ามองย่อมปรากฏที่กายดูแก่ไปเลยนะครับปกติแล้วก็งามเทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพอาสนะของตนนะครับคือนิมิต5้าอย่างจะปรากฏประมาณ7วันของมนุษย์นะครับ็วันของมนุษย์นะก็ไม่กี่ชั่วโมไม่กี่นาทีของเทวดา ก็จะปรากฏเจ็ดประมาณเจ็ดวันมนุษย์นะครับดูการพิสูน์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพลอยยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างนี้ว่านะพากันมาอวยชัยให้พรนะครับ ว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติตนะอยนคนหนึ่งนะเขาให้พรวันหนึ่งขอให้ท่านไปสู่สุคตินะสองครั้นไปสู่สุคติแล้วขอท่านจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วสาท่านได้ลาบที่ท่านดีได้แล้วขอให้เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีนะครับให้ไปสู่สุคติขอให้มีลาบให้ตั้งมั่นอยู่ในลาบเสร็จแล้วก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในลาบนะคระับ ให้ให้อวยชัยให้พรกันนั่นนะครับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิสูรรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนอะแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุขติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าข้าองค์นี้ฉลาดถามอนุสนทิว่า ง, งั้นเด็สืบเนื่องจากเรื่องที่พระองค์ตรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลาย ความเป็นมนุษย์แล้วเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุขคติของเทวดาทั้งหลายซึ่งเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้เป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วก็ศรัทธาของเทวดานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดประดิษฐานมั่นคงอันสมณนะพราม์เทวดามารพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลก พึงนําไปไม่ได้นะครับดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายในชั้นต้นก็ขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะครับหลังจากเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ให้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือบรรลุมรรคผลนะครับอย่าให้ใครเปลี่ยนแปลงศรัทธานี้ได้นี้คือถ้อยคําอวยชัยให้พรของเทวดาทั้งหลายผู้จะตายจากเทวดา เมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิยายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้แล้วขอท่านจงไปถึงสุคติจงถือความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระศิธ ร, ร ะาษาธรรมคือโพธิปักเป็นต้นเนี่ยนะครับศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นคุณชาติตั้งมั่นลงนะครับมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีพนะครับศรัทธานี้ไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยท่านจงละกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตและอย่ากระทอาอกุศลกรรมอย่างอื่น ที่ประกอบด้วยโทษนะอย่าไปก่อกรรมทำชั่วอะไรนะฟังกันกระทากุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทากุศลด้วยใจหาประมาณไม่ได้นะโลกุตระนะครับหาอุปธิไม่ได้แต่นั้นท่านจงกระทาบุญอันให้เกิดสมบัติคืออุปธินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เราอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัทธ ร, รมในพรหมจรรย์ เมื่อใรเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นย่อมพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์นีว้ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆนะครับไปทำบุญแล้วมาใหม่นะนะครับขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามีศรัทธาตั้งมั่นบรรลุมรรคผลชักชวนให้คนอื่นนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมะเหล่านี้แล้วกลับมานี่อีกนะนะครับเทวดาเขาเพิดเพลินนะครับท่านอาจารย์ครับทาไมข อ, อกครับ ทำไมเทวดาเขาจึงให้พรว่าให้มาสู่สุคติคือเมืองมนุษย์ที่พระองค์ตัดไว้ทำไมไม่ว่าสุคติของเทวดาน่าจะเป็นพรหมโลกหรือเป็นสวรรค์ด้วยกันอะไรํานองนั้นยเขาก็ว่าพี่เทวดามันฟังธรรมยากนะครับมันหาเวลาไปฟังธรรมยากก็เหมือนกับมนุษย์นี่นะครับข้าราชาการสูงๆนี่มีเวลาไปฟังธรรมที่ไหนนะครับถามนายกชวนอตอนนี้นะมีเวลาไปฟังเทศฟังธรรมสักชั่วโมงหรือเปล่านะครับยาก มันวุ่นวายมันขัดข้องเดี๋ยวงานโน่นเดี๋ยวงานนี่โอ้คนโน่นเชิญมาคนนี้เชิญไปอย่างเงี้ยนะครับเขอยู่อย่างนั้นแหะครับพวกเทวดาทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันมันวุ่นวายหาเวลาฟังธรรมยากนะครับมันไปเกิดเป็นมนุษย์ดีแล้วนะครับและเอสไปคิดยังไงว่ามนุษย์เนี่ยหาเวลาฟังธรรมง่ายนะครับก็โดยอย่างอย่างเนี้ยเราฟังธรรมตอนเนี้ยก็มีคุยมสกี่คนมาฟังธรรมกันเนี้ย ก็ง่ายกว่าเทวดานะครับเทียบเลยนะมันชวนให้เพลิดเพลินเยอะเองครับคือเทวดานี่มันก็เหมือนกับมีงานมหรสพทั้งปีทั้งชาติเอาเวลาไหนไปฟังธรรมนะครับขนาดฟังธรรมก็มีเสียงดนตรีตั้งเๆๆๆๆๆ่เน่งเน่เน่เ่เน่งเน่งน่น่ครนบมันเหมงอนกงเน่งเนสงนสนุกงานรเ่าเริงเหมือน่งน่งเนรงเน่งเนะครับงเพราะนะนั้น่ันยากที่จะฟังเน่มนุษย์ดีกว่านะครับ ที่มนุษย์บอกเป็นเทวดาสิสบายจะได้ฟังธรรมมุน่มนๆนะครับก็ยากอีกนั่นแหละพอกันหมดเลยนะโอนกันไปโอนกันมาเลยเสียไปอีกชาตินึงนะครับจริงๆแล้วคำให้พอในตรงนี้จะมีผลอะไรไหมครับถ้า ม, ามาัมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะลืมเรื่องนั้นไปไหมก็อย่างน้อยก็ให้ตั้งจิตเพื่อปฏิสนธิเกิดในที่มีพุทธศาสนาเป็นต้นนะครับเป็นอัตตสามาปฏิทิฐิรครับก็ยังดีแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่า สังสารวัฏเนี่ยนะเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงของความคิดเนี่ยมีมากก็เหมือนกับเวลาเราจะบวชนี่แหละครับเขามาผูกได้ขอมือเนี่ยโอ้ให้บวชให้ได้ดิบได้ดีมีศรัทธานะบวชแล้วศึกษาเล่าเรียนทำมินายพอบวชเข้ามาแล้วเป็นไงครับมันก็มีคนให้พรผมว่าขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยครับตอนทำบวชนะครับ <สา S 2> เป็นใหญ่เป็นโตขอให้ได้มหาคตะมหากุศลคงไม่ใช่เงินเงินเข้าคงอยากอยให้เป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นอะไรยังไงมัน ไม่เอาด้วยนะไม่ต้องสาธุหรอก <laughs>